คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยสอนลงที่ใจของทุกทุกคนเลยนะพระองค์มีเป้าหมายมีพระประสงค์ก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมีจิตใจที่มีความสุขความสบายไม่มีความทุกข์ภายในจิตใจเพราะนั้นคนที่มาเนี่ยทุกคนก็เป็นคนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ก็คือเรื่มใชในคำสอนของพระองค์นั่นแหละเชื่อมั่นว่าพระองค์นะ่ะตัดสรู้จริงรู้แจง้งเห็นจริงแล้วก็ดับทุกขในพระไทยของพระองค์ได้จริงคือคำว่าดับทุกนี่หมายว่าทุกไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปในจิตใจดวงใดก็ตามที่สามารถ ดับทุกได้แล้วทุกจะไม่เกิดขึ้นในใจอีกต่อไปแล้วก็จะแน่ใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถทำให้จิตใจของผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติตามต้องไม่มีทุกได้จริงๆไม่ใช่เฉพาะพระหรือแม่ชีหรือคนที่มาอยู่วัดคนที่อยู่กับบ้านกับเรือน ถ้านำเอาคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติก็เท่ากับว่ากำลังเดินทางไปหาความไม่มีทุกข์เหมือนกันอันนี้มันเป็นเรื่องของการเดินทางของจิตใจทีนี้เดินทางทางจิตเนี่ยมันเดินยังไงคิดจริงก็พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนให้ทุกคนมาดูจิตของตัวเองด้วยนะ ส่วนใหญ่คนที่มีความทุกข์เนี่ยมันจะไปสนใจเรื่องของคนอื่นคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้เขาคิดอย่างนั้นเขาคิดอย่างนี้เขาคิดไม่ดีกับเราเขาพูดในสิ่งที่ไม่ดีกับเราเขานินทาว่าร้ายเราเขาเตำหนิตีเตียนเราเขาไม่ดีเหมือนเราเนี่ยมันก็จะออกไปข้างนอก อันนั้นก็ใหม่ดีอันนี้ก็ใหม่ดีอยากให้อันนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้ยีนี้เป็นอย่างนี้มันมีแต่เลือกข้างนอกหมดเลยนะเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาดูจิตนะใจ ต, ตัวที่สั่งการให้พูดอย่างนี้ก็คือจิตเราเองเนี่ยไอ้ตัวการใหญ่ที่มันมันให้คิดไปแบบนี้ปรุงแต่งไปแบบนี้ก็คือจิตของเราเอง นี้เวลาพระพุทธเจ้าพูดกับสาวกของพระองค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมายว่าใครก็ตามที่เห็นภัยในวัฏสงสารก็คือมาฟังธรรมของพระองค์นี่แหละก็แสดงว่าเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือเห็นโทษของการที่จิตเรามันปรุงแต่งเนี่ยคาว่าวัฏสงสารไม่ใช่สิ่งมันไกลตัวเรานะ ไอ้ที่มันจะพาไปเกิดก็คือตัวไอ้ที่มันปรุงแต่งขึ้นในจิตนี่ละ่ะพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกภิกษุเรียกผู้ที่เป็นสาวกของลองดูกรภิกษุทั้งหลายนะอันนี้เรียกเพื่อ ก, กระตุ้นให้หันความสนใจเข้ามาฟังธรรมะของพระองค์ถ้าเราไม่ฉลาดในวาลจิตของผู้อื่นไซ ให้เราเนี่ยมาฉลาดในวาลจิตของตนนะก็หมายก็ว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถจะไปรู้วาะจิตของคนอื่นได้ตลอดเวลาหรอกมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปรู้เรื่องจิตของคนนั้นจิตของคนนี้ให้มาฉลาดในเรื่องจิตของตนนะทีนี้จิตของเราเนี่ยการที่จะมารู้จิตได้มันต้องมีสติสัมปชัญญะ มันจึงต้องมาปฏิบตัติถ้าไม่ปฏิบัติแต่ว่าอยากจะรู้จิตของตัวเองอยากควบคุมจิตของตัวเองอยากสอนจิตของตัวเองอยากให้จิตของตัวเองมีสติมีปัญญารู้เรื่องรู้ราวไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาขึ้นในจิตใจมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติจิตของตัวเองมีแต่ความอยาก อยากให้สุขอยากให้สบายอยากให้จิตมันคิดดีๆอยากให้จิตมันรู้ความจริงทั้ ง, ท, งทั้งที่เรารู้เราเข้าใจแล้วว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสุดท้ายตัวเราก็ไม่ใช่ของเราอีกต่อไปเป็นอนัตตากายกับใจเนี่ยเป็นธรรมชาติหมดเลยเวียนไปเวียนมาเวียนว่ายตายเกิดก็แค่มัน เปลี่ยนสภาพไปทางนู่นเปลี่ยนสภาพไปทางนี้วนไปเวียนมาตามอำนาจของกรรมเฉยๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นของเราได้เลยอะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างเนี้ยไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่กลับกี่การกี่อสงไข่แล้วแล้วเราก็มาหลงไอ้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี้ว่าเป็นเราอยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่คือความหลงภายในจิตของเรา พระพุทธเจ้าก็สอนสอนวิธีปฏิบัติด้วยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่สมบูรณ์หรอกคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังมากขนาดไหนก็ตามถ้าไม่เอามาปฏิบัติจนผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นกับจิตเราจนมันมันมาดับทุกข์ในใจเราได้เนี่ยมันถึงจะเรียกว่ามันได้รับประโยชน์จากคาสอนของพระพุทธเจ้า เพราะนั้นคาสอนของพระองค์เนี่ยต้องศึกษาเข้าใจแล้วต้องมาปฏิบัติด้วยปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อผลการปฏิบัติเกิดขึ้นก็คือทุกต้องน้อยลงไปเนี่ยต้องมาสังเกต ต, ตรงนี้ด้วยนะถ้าว่าปฏิบัติแล้วผลมันเกิดขึ้นคือเรารู้มากพูดได้มากโตเถียงคนอื่นได้มากแสดงให้คนอื่นรู้เห็นว่าเรานี่มีธรรมะ สูงมากอันนี้มันไม่ใช่ดับทุกนะมันกำลังจะสร้างทุกแล้วเพราะมันมีตัวตนเกิดขึ้นมาแล้วมีมานะขึ้นมาแล้วฉันเก่งฉันดีฉันเหนือกว่าคนนั้นคนนี้ฉันปฏิบัติธรรมนะฉันมาอยู่วัดนะเดี๋ยวบางทีก็อาศัยความเข่งครัดรูปแบบภายนอกว่าฉันเข่งคัดฉันซ้ำรวมฉันระวังฉันเรียบร้อย เอามาข่มคนอื่นก็มีอันนี้ไม่ใช่ทางทางของมุติเจ้าคือจิตจิตที่ไม่มีทุกข์ความทุกข์ต้องน้อยลงไปสาระมันอยู่ตรงนี้นะเพราะนั้นใครจะอยู่ในท่าทางแบบไหนทําอะไรอยู่ก็าตามภายในจิตเป็นยังไงเรามาสนใจที่จิตส่วนท่าทางนั้นต้องมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้สติสัมปชัญญะเข้าไปรู้จิต ทันจิตเห็นจิตควบคุมจิตได้สอนจิตได้จิตเข้าใจแล้วจิตเห็นแจ้งชัดตามความเป็นจริงได้จิตใจปล่อยวางได้สุดท้ายปล่อยวางไม่ใช่เอานะนี่ปฏิบัติไปปฏิบัติมาตอนแรกปฏิบัติโดยหวังอย่างนู้นหวังอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แต่พอปฏิบัติไปจริงๆแล้วปล่อยวางหมดเลยไม่เอาอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลย พระพุทธเจ้าจึงสอนาให้มาฉลาดในวาลจิตของตนเพราะจิตของเรานี่แหละมันมีความลุ่มหลงมันมีความหลงผิดอยู่มันก็เลยไปยึดเอาเรื่องราวข้างนอกเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาไว้ในจิตของตัวเองและก็ปรุงแต่งขึ้นมาเองด้วยนะคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างเสร็จแล้ว ความคิดเหล่านั้นก็มาครอบงำจิตของตัวเองนะเพราะนั้นเวลามันทุกเนี่ยมันก็คือความคิดของเราเนี่ยแหละมันคิดไปปรุงแต่งไปแล้วก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไอเรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์นะั่นก็มาครอบงำจิตอีกทีหนึง่งมันก็มากขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆทีนี้ไม่รู้วิธีออกจากทุกขทีแรกยังไม่มี อย่างตอนนี้ถ้าจะสังเกต ด, ดูจิตเราไม่มีก็ได้ต่มันไม่มีอยู่เฉยๆอยู่สบายๆพอกระทบอารมณ์หรือนึกถึงบางสิ่งบางอย่างขึ้นมามันเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วพอเป็นทุกข์ขึ้นมามันก็ปรุงแต่งสิในจิตเราปุงแต่งในเรื่องเราที่มันทำให้เป็นทุกข์วนไปเวียนมายังจำได้คนหนึ่งลูกตายลูกตาย ห้าตัวตายเลยลูกเป็นสาวอยู่กำลังทำงานเลยนะเสร็จแล้วมีความทุกข์มากร้องห่มร้องไห้ทั้งสามีทั้งภรรยาเลยเป็นปีเลยนะมันก็คงเบื่อหน่ายในความทุกข์ก็มาหาก็มาเล่าให้ฟังเล่าก็คือว่า เขาไม่น่าตายเลยไม่น่าตายอย่างนี้เลยผมตายยังดีเสียกว่าเพราะผมอายุมากแล้วคือมายึดอยู่กับไอ้เรื่องความตายที่มันผ่านไปแล้วคนตายก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาไม่น่าตายเป็นวัยทำงานด้วยชีวิตเขาอนาคตของเขายังไปอีกไกลส่วนเราสองคนนี่แก่แล้วน่าจะให้เราตายแทนยังจะดีกว่า แล้วถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้อีกแล้วคิดทําไมก็สู้กันอยู่นานนะคือคือเราก็เอาเข้าไปหักล้างจะเป็นเพราะว่าผมไม่เอาใจใส่หรือเปล่าผมมัวแต่ทํามาหากินหรือเปล่าลูกเขามีปัญหาก็เลยไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาแก่ลูกได้ไม่มีโอกาสรับฟังปัญหาเขาก็บอกว่าเอมันจะมีอะไรก็ช่างเขาตายแล้วอ่ะ มันไม่ฟื้นมาแล้วทิดว่าจากนี้ไปทำยังไงจิตใจของเราเนี่ยมันจึงจะไม่มีทุกข์ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าสอนยังไงหันเข้ามาศึกษาด้านนี้ดีกว่าเราจะไปนึกถึงแต่อดีตจะเอาอดีตให้มันให้มันกลับคืนไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะมันไม่ได้มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว แล้วผมขอพูดขอคิดถึงสิ่งดีๆบ้างได้ไหมก็ยังต่อรองอีกนะเราคิดไปทำไมเราก็บอกคิดไปทำไมในเมื่อมันไม่มีประโยชน์อะไรพอคิดไปแล้วมันก็เป็นทุกข์ซ้าไปซ้ำมาอยู่ยนี้เป็นปีแล้วเป็นชั่วโมงนะแต่สุดท้ายยอมยอมรับฟังเหตุผลมาจริงเอาเหตุผลมันเพียงพอนี่นะ ก็อดีตมันผ่านไปแล้วจริงมันมันเอาคืนไม่ได้แล้วอรับจว่ามันไม่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่มันก็เป็นไปหมดแล้วมันก็ต้องมาเนี่ยมาทำปัจจุบันนี่แหละให้มันดีเอามาเป็นบทเรียนใช่ในความทุกข์นี่บางทีมันก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะทุกข์แล้วเนี่ยถ้าว่าเรามาศึกษาธรรมะ เข้าใจธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วทุกมันดับไปนี่โอ้มันมันเกิดความเบิกบานขึ้นมาในจิตใจด้วยมีปิติด้วยอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมามีความสงบสงัดขึ้นที่จิตใจมีความสุขขึ้นมาแล้วที่สําคัญก็คือว่าเวลาจิตใจเรามีความสุขความสบายสติสัมปะชัญญะรักษาจิตใจได้ง่าย สติรักษาใจได้ง่ายใจก็อยู่กับตัวเราได้นานขึ้นเรื่อยๆเป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาใจตั้งมัน่นเป็นสัมมาสมาธิเริ่มก็รู้ความจริงทีนี้นะก็รู้ความจริงคือมาเห็นนะเห็นอาการที่มันอยู่ในจิตเรานี่แหละคือจิตมันไปยึดอะไรก็รู้ จิตมันปรุงแต่งอะไรก็รู้ก็มันละไอสิ่งนี้มันไปยึดมัน่นถือมั่นสิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมาใหเห็นว่าสักแต่ว่ามันปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตมันก็ไม่มีอะไรมันก็ดับไปดับไปอะไรเกิดแล้วก็ดับไปมันก็แค่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นแค่ความคิดเฉยๆถ้าเรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้คว า, ามคิดก็ทาอะไรเราไม่ได้ มันก็เป็นแค่ของเกิดของดับแต่ความคิดเนี่ยมันมีสองลักษณะบางอย่างความคิดชนิดหนึ่งอะ่ะมันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะมันคิดด้วยความหลงผิดคิดไปในทางที่มีความหลงผิดเข้อคว า, คาอีกอันหนึ่งคิดแล้วมันตรงกับความเป็นจริงอย่ามันคิดว่าเออเออลยเดีด๋วยวเราก็ต้องตายแล้วก่อนจะตายเนี่ยเราต้องศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่า ให้มันรู้ให้มันเข้าใจเรื่องชีวิตของตัวเองนี่แหละเรื่องจิตของตัวเองนี่แหละมันโง่มานานแล้วมันหลงมานานแล้ ว, านานลวก่อนจะตายเนี่ยศึกษาให้มันเข้าใจเสียถ้ามันเข้าใจเรื่องจิ ต, ตมันจะได้ไม่มีทุกข์ถ้าอย่างนี้มันคิดถูกเนี่ยมันเป็นฝ่ายปัญญาอันหนึ่งมันเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายเอาวิชาอีกอันหนึ่งเป็นฝ่ายวิชาเนีย่ยแล้วแต่ามาคิดว่าเออร่างกายเนี่ยจริงนะ เกิดมาแล้วต้องตายจริงๆเลยอ่ะไอ้เรานี่อายุก็มากแล้วด้วยเป็นนุ่มเป็นนี่อยู่เป็นประจำเลยอ่ะผมบ้างฟันบ้างหัวบ้างพ้องบ้างส่วนนั้นส่วนนี้บ้างกระดูกบ้างโหมันเริ่มสุดโทมลงไปแล้วชราภาพลงไปแล้วเริ่มวิกลวิกาลขึ้นมาแล้วซึบผุก่อนไปแลวเนี่ยเราจะมาหลงยึดหลงติดหลงข้องอยู่งี้มันไม่ได้ ถ้าคิดอย่างนี้มันคิดไปในทางที่ตรงกับความจริงอันนี้ได้อันนี้มีประโยชน์เพราะมันทำให้จิตเรามันคลายคลายออกถ้า ม, มันมันมัวแต่ไปหลงคิดเรื่องคนนั้นว่าเราคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีเป็นเพราะอย่างนั้นเป็นเพราะอย่างนี้มันทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันส่งนอกหมดเลยมันพุ่งออกไปข้างนอกหมด เพราะว่าแบบนี้มันไม่ตรงกับเหตุมันเหตุจริงๆก็คือจิตเรานี่แหละจนมันมีความหลงผิดหลงว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ไปยึดความคิดนึกปรุงแต่งแล้วความคิดความปรุงความแต่งก็มาครอบจิตของตัวเองเอาไว้ทีนี้หันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์วนไปเวียนมานว น, มานไปเวียนมาอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้มาฉลาดในเรื่องจิตของตนเสีย อย่าไปฉลาดในเรื่องของคนอื่นอย่าไปสนใจเรื่องคนอื่นมากถ้าจะสนใจก็คือสนใจเพื่อพอให้เรามีชีวิตอยู่ได้นี่ละประกอบอาชีพไปดำเนินชีวิตไปมันก็ต้องมีบ้างคนเรามีจิตมีใจยังมีร่างกายอยู่มีชีวิตอยู่มันก็ต้องรักษาชีวิตไปด้วยมันต้องมีการประกอบอาชีพทำามากินด้วย แต่เราก็ต้องรู้ด้วยว่าในขณะที่ดำเนินชีวิตไปนี้ต้องศึกษาเรื่องจิตของตัวเองด้วยเพื่อจะทำให้ชีวิตนี้ไม่มีทุกข์หรือมีก็ให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าอย่างนี้ถูกทางเลยถ้าว่าเรามัวแต่รักษาชีวิตไว้ทำมาหากินกับมีเป้าหมายเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขความสบายแล้วมันสบายจริงห มีข้าวของเงินทองมีอาหารการกินมีเครื่องใช้ไม้สอยบริบูรณสมบูรณ์ถ้าไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าไปหล่อเลี้ยงต้องมีทุกข์แน่นอนเลยเพราะไม่สามารถที่จะควบคุมจิตอบรมจิตยับยั้งจิตเวลาจิตมันเป็นหลงยึดมั่นถือมั่นอะไรมันก็ไม่มีปัญญาที่จะไปแก้ไขจิตของตัวเองได้มันก็เลยเป็นทุกข์ ทั้งๆ ท, ที่เราก็ต้องการความสุขนี่มันจึงละเลยการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เราจะรู้อย่างอื่นมากขนาดไหนมีความรู้กว้างขวางขนาดไหนก็ตามถ้าขาดความเข้าใจเรื่องธรรมะเรื่องความจริงเกี่ยวกับชีวิตของเราเองหรือเรื่องเกี่ยวกับจิตของตัวเองแล้วต้องมีทุกแน่นอน ทั้งๆ ท, ที่เราต้องการความสุขเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาสนใจจิตของตัวเองให้มากๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยมันก็มีหลักการอันเดียวกันแต่รายละเอียดอาจจะต่างกันคือพระองค์ก็สอนให้มีสติซะก่อนคือสติเนี่ยมันเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุด ถ้าหาว่าสติมีกําลังสติมันจเจริญขึ้นเรื่อยๆธรรมะอื่นๆจะเกิดขึ้นเองอันนี้พระพุทธเจ้ารับรองเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องไปรู้อะไรมากก็ได้แต่พยายามจเจริญสตินี่แหละถ้ามีสติแล้วสติมีกําลังขึ้นมาสติอันนี้มันก็จะควบคุมจิตทีนี้ ว่ารายละเอียดเนี่ยอาจจะต่างกันบางคนต้องการมีสติก็อาจจะบริกรรมเพราะบริกรรมแล้วรู้สึกว่ามันพอดีกับตัวเองจิตสบายจิตอยู่กับตัวเองได้นานอันนี้บางคนก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธทมโมสังโฆนัมภะท่าสัมมาหลังอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป้าหมายเพื่อให้จิตอยู่กับตัวเองบางคนอาจจะพองเนาะยุบเนาะบางคนก็ดูลมลมเข้ารู้ลมออกรู้บางคนก็ดู ผมผลเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการสามสิบสองไปอันนี้มีเป้าหมายคือให้มีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะเมื่อสติมีกำลังแล้วมันรู้มันเห็นมากขึ้นเขาเรียกมีสัมปชัญญะถ้าสติเฉยเฉมันก็เอาคุ้มจิตให้อยู่กับอารมณ์เดียวก่อนเนี่ยจะจอดอยู่ที่อารมณ์เดียวพอนานเข้ามันก็เริ่มรู้เริ่มเห็นด้วย ว่าจิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงเนี่ยจิตเราอยู่ยังไงมันคิดก็รู้มันคิดเนี่ยมันก็จะเริ่มสติเริ่มมีกําลังขึ้นความรู้สึกตัวก็มากขึ้นจึงเร็วมีสติสัมปชัญญพะพรเจริญสติแล้วมันก็มารู้อะไรรู้กายรู้จิตของตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปรู้อย่างอื่นนะ ก็คือให้จิตอยู่กับตัวเรานี่แหละนะก็คือให้มันมารู้ที่กายที่จิตขยายออกมาอีกกายก็มีเวทนาทางกายกายเวทนาแล้วก็จิตคืออาการของจิตจิตมันยังไม่เห็นหรอกพอจิตเป็นนา ม, มาถามก็มาเห็นอาการของมันคิดบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างโกรธบ้างพยาบาทบ้างขี้เกียจขี้ค้านบ้าง มีความเพียนบ้างมีความง่วงมีความซึมบ้างมีความเศร้าหมองบ้างน้อยเนื้อต่ำใจบ้างอาการของจิตทางนั้นเลยบางทีก็เอากายมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นในกายเราบ้างความสงสัยมีไหมแล้วใจมันเป็นสมาธิไหมมันตั้งมั่นไหมใจมันอยู่ยังไงนี่คือเรื่องจิต ก็มีกายอยู่ด้วยเพราะว่าเรายังอาศัยร่างกายอยู่มันก็ต้องเห็นกายด้วยเห็นจิตด้วยแต่ที่สําคัญคือตัวจิตเพราะฉะนั้นใหม่ๆเนี่ยไอ้จิตเนี่ยมันไม่เห็นนะเพราะเป็นนามธรรมามันละเอียดจึงต้องมาดูกายบางทีเดินไปก็ต้องให้รู้ตัวก้าวไปยังไงหรือว่ามีคําบริำกรรมกํากับหรือว่าดูลมหายใจเข้าลมหายใจออก เพื่อให้สติของเราควบคุมจิตเอาไว้สติมารักษาจิตแล้วมีสติสัมปชัญญะจากสติก็เป็นสติปัฏฐานสี่ถ้าพูดย่อๆสองอย่างก็คือกายกับใจมาดูกายกับใจขยายออกมาก็มีกายมีเวทนาจิตธรรมก็เลยเป็นสติปัฏฐานสี่ที่กายมันก็คือลูกมารวมกัน ทีนี่ถ้าจะดูรายละเอียดนะกายนี่คือรูปรูปเลหลายรูปโดยเฉพาะรูปซึ่งซึ่งเขาเรียกว่ามหาภูตารูปทั้งสี่คือธาตุดินน้าลมไฟเนี่ยไอรูปสี่อย่างนี้มาประกอบกันเป็นกายนอกนั้นก็รูปย่อยๆก็คืออาศัยไอธาตุสี่นี้ล่ละแต่มันแยกย่อยออกไปเฉยๆแยกออกเป็นผมขนเล็บฟันหนังก็ได้ เป็นส่วนๆเป็นแขนเป็นขาเป็นเซลเล็กๆเป็นอนูเป็นปลมณู่ยก็เป็นเรื่องรูปทางนั้นประกอบกันขึ้นมาแล้วเป็นกายบางทีเขาก็พูดว่าเออมันเป็นนี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าความว่างเขาเรียกอากาศสภาพก็คือร่างกายนี่แหละแยกออกไปมันก็มองเป็นรูปขันห้าไปละรูปประขัน กองแห่งลูกมารวมกันเข้าแล้วก็เป็นกายขึ้นมา ก, ก็ยังอยู่ในกายนั่นแหละเวทนาขันเนี่ยทีนี้มองเป็นเวทนาแล้วจากเวทนาเฉยๆก็เป็นเวทนาขันกองแห่งเวทนาก็คือเวทนาเนี่ยมันก็มีหลายลักษณะเดี๋ยวปวดตรงนั้นบ้างเดี๋ยวปวดตรงนี้บ้างบางทีก็ปวดหลายหลายแห่งพร้อมกันแต่จิตก็ไปดูไอ้ตรงที่มันเด่นชัดขึ้นมา เรี่ว่ากองแห่งเวทนาหรือว่าพูดถึงว่าเออเวทนาทางกายก็มีสุขมีทุกข์ทุกทางกายสุขทางกายเวทนาทางจิตมีสามสุขทุกข์แล้วก็อะทุกข์ขมสุขหรือเฉยๆเป็นอุเบกขาก็ได้เนี่ยก็คือกองแห่งเวทนาเวทนาขันเนี่ยมันก็แยกออกไปจากนี้แหละเริ่มจากมีสติเข้ามาดูกายดูใจกายก็แยก มาพูดว่าเออสติปทานสีน่ะเอามาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมแล้วก็แยกกายออกมาก็ออกเป็นรู ป, ปขัน์เวทนาขัน์มันก็อาศัยกายนี่แหละเกิดขึ้นทาเวทนาทางกายเป็นเวทนาทางจิตมีสุขมีทุกข์มีอุเบกขาเวทนานี้ก็เริ่มเข้ามามองในลักษณะของขันห้า วิทนาขัมันนึกอะไรขึ้นมาเป็นสัญญาขันมันจําได้หมายรู้คนเราเนี่ยมันก็ต้องมีความจํามันจํามันจํามามันจํามาแล้วมันก็เอามาปรุงแต่งเป็นสังขารแล้วก็เอามาพูดเนี่ยเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้นะมันก็เลยวนไปเวียนมาอยู่เรื่องราวในชีวิตของเราเนี่ย สัญญามันก็ไปจํามาจํามาแล้วจิตก็ปรุงแต่งเรื่องที่มันไปจํามานั่นแหละแล้วก็เอาเรื่องที่จํามานั่นแหละมาพูดกันพูดกันไปพูดกันมาคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้คนนั้นสวยคนนี้ไม่สวยคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นเก่งคนนี้ไม่เก่งก็คือมันไปเห็นไปหรือไปได้ยินไปอะไรไปจดจํามาเนี่ยสัญญาขันมันก็ทํางาน สังขารละขันกองแห่งสังขารปรุงแต่งก็รู้แล้วสังขาร น, นี่มันปรุงแต่งชัดๆมันเป็นเราได้ยังไงอะไอ้อความคิดที่ทำให้เราเป็นทุกข์อะมันเป็นเราไม่ได้หรอกมันเป็นแค่สังขารเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเฉยๆแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งดูสิความคิดเรามันกี่เรื่องถ้าหาว่าเรามันแต่ไปสนใจไอ้สิ่งที่สังขารปรุงแต่งขึ้นมาก็คือเรื่องข้างนอกมันจะต้องไปเอาเรื่องข้างนอกก่อน มันส่งออกไปข้างนอกมันพุ่งออกไปข้างนอกมันมองออกไปข้างนอกแล้วก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นในจิตแล้วก็ครอบงาจิตตัวเองนี้คือที่มาของทุกข์ด้วยเพราะมันเกิดจากความหลงผิดมันไม่รู้ความจริงสูงสุดนั่นเองคือมันไม่รู้ธรรมะมันไม่มีธรรมะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ามันหลงแล้วก็จิตเรานี่แหละเป็นที่มาของทุกข์เราต้องมาฝึกจิตมาปฏิบัติที่จิตนาน พระพุทธเจ้ามาสอนให้ฉลาดในเรื่องจิตของตนผลมาปฏิบัติธรรมก็มาศึกษาเรื่องของตัวเองธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะที่ชี้ลงไปที่ตัวเราเองโดยเฉพาะเรื่องจิตของเราเพราะความหลงมันอยู่ที่จิตวิญญาณขันอะไรเกิดขึ้นมันก็รู้ได้ยินเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ได้ยินด้วยนี่มมันผ่านเข้าไปทางหูก็ไปหาโู่นวิญญาณโสตวิญญาณ เจ็บปวดขึ้นมาไอ้ก็ตัววิญญาณนี่แหละที่มันไปรู้รู้ว่าเจ็บแล้วก็เข้าส่งไปกระทบจิตเนี่ยความเจ็บกระทบจิตเกิดมโนวิญญาณขึ้นมาเนือกายะวิญญาณขึ้นมาวิญญาณตัวที่ไปรับรู้เดีย๋ยวถ้าขาดปัญญาก็เป็นเราถ้ามีปัญญาก็เห็นแต่ว่ามันสัตว์แต่ว่าเจ็บนี่มันจะส่งเข้าไปหาจิต แล้วมันก็ปรุงแต่งกันไปอยู่ตลอดนี่มันเป็นเรื่องของการทำงานของขันห้าเป็นแค่การทำงานของขันห้ามันมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับของมันแต่ถ้าเราไม่รู้ความจริงตรงนี้ปับ๊บเป็นเราหมดเลยพอเป็นเรามาเราก็เป็นทุกข์เราก็ปรุงแต่งไปกับมันไหลเวียนไปกับมัน จิตของเราก็เลยวุ่นอยู่ตลอดเลยอ่ะทีนี้ถ้ามาศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าสติของเรายัางไม่มีกำลังก็ต้องทมันเจริญสติต้องเอาแค่นี้ก่อนถ้าจะไปรู้มากบางทีถ้ารู้แล้วเออจิตเราเนี่ยมันสงบ ก, ก็ใช้ได้เหมือนอย่างเออเราฟังธรรมอย่างนี้แล้วก็อธิบายความจริงให้ฟังมันรู้ความจริงขึ้นมาบ้าง ใจสงบลงไปก็มีประโยชน์เนี่ยธรรมะเนี่ยบางทีมันก็โอ้จริงมันไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆแล้วอะ่ะเป็นแค่ความนึกคิดปรุงแต่งไอความคิดปรุงแต่งโอ้มันบอกชัดๆัว่ามันปรุงแต่งมันปรุงขึ้นมามันแต่งขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองแล้วก็ไปหลงเองแล้วก็ทุกเองเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันไม่ได้เรื่องเพราะนั้นต้องหาทางออกจากทุกอันนี้ ออกจากมันให้ได้ถ้ามัวแต่ไปจมอยู่กับกองทุกข์อย่างนี้ชีวิตไม่มีประโยชน์อะไรเลยเกิดมาแล้วก็มาจมอยู่กับกองทุกข์ใหญ่ก็เศร้าหมองถูกบีบคั้นทรมานอันนี้แหละคือบาปคืออกุศลที่แท้ จ, จริงนำไปสู่อบายภูมิด้วยการเกิดก็เกิดขึ้นในจิตนี่แหละเนี่ยเนื้คันชาติธรรมชาติเนี่ยมันเกิดในจิตเนี่ยมันบอกให้รู้นะ ชาติปีตุกข่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะนั้นต้องระวังจิตทีนี้มาสัมรวมจิตมาศึกษาเรื่องจิตมาแก้ไขจิตให้มันฉลาดขึ้นเพื่อไม่ให้มันมีทุกข์แล้วพระเจ้าก็บอกทางไว้ชัดเจนเลยเอาไม่ต้องใช้สับแสงอะไรมากมีสติรู้ตัวให้รู้ตัวพยายามไม่ให้จิตนี่มันไหลออกไปเราคนบริกรรมก็บริกรรม บริกรมไปแล้วสติมีกำลังมันดูเฉยๆก็ดูเฉยๆไปดูเฉยแล้วมันอยากทำความเข้าใจก็ทำความเข้าใจได้ทำความเข้าใจเพื่อให้จิตเนี่ยมันมันไม่ออกไปทำความเข้าใจอย่างเอา้าทาความเข้าใจเรื่องของกรรันห้าดูแล้วว่ามันคือกายกับใจกายกับใจแยกออกเป็นกายเวทนาจิตธรรมนี้เดียกว่าสติปัฏฐานสีในสติปัฏฐานสี่นี้จะมองเป็นขันห้าก็ได้ รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันมองเป็นธาตุก็ได้รูปแยกออกเป็นมหาพุทลูปสี่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอากาศสธาติคือช่องว่างจิตมองนี้ธาตุก็ได้คือวิญญาณธาตุจิตตธาตุมโนธาตุไม่ได้บอกว่าตรงไหนเป็นเราเลยนะคำรมาธาตุก็คือว่าสิ่งที่มันทรงตัวอยู่ได้โดยธรรมชาติเท่านั้น ส่วนเ ล, เล็กๆย่อยๆลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุ้ามารวมกันเข้ารวมเข้ากับสมมุติเรียกชื่อมันไปแต่แยกออกไปมันก็คือธาตุหมายว่ามันทรงตัวอยู่ได้ตามธรรมชาติของมันเฉยๆส่วนที่ย่อยๆลงไปเรียกว่าธาตุเพราะมันอยู่ได้ตามธรรมชาติกองั้นไอเราต่างหากที่ไปยึดว่าเป็นเรามีตรงนี้ที่เราจะต้องแก่มีเราเมื่อไหร่ก็มีทุกเมื่อนั้น มีทุกเพราะมีเรามีเราเพราะมีอุปาทานนะเพราะมีอุปาทานจิตเราไปยึดมันเข้ามาไปเอามันเข้ามามันก็มาตั้งอยู่ในจิตซึงว่าเขาว่าเราอย่างีเขาว่าไปแล้วมันก็เป็นแค่เสียงน่ะเขามีจิตมีใจเขาก็ว่ามันก็เรื่องของเขาเราไม่เอาเข้ามาถ้าเราไม่เอาเข้ามาเราก็ไม่ทุกเพราะไม่มีอุปาทาน ถ้ามีประทานเอาเข้ามาแล้วเขาว่าเรามันก็เจ็บปวดขึ้นที่ใจเราเพราะเราไปเอามันเข้ามาแล้วมันก็มาดำลงอยู่ที่จิตของเราตั้งอยู่ที่จิตของเรานึกขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็บีบคั้นใจเมื่อนั้นเป็นทุกข์อยู่เมื่อนั้นสรุปแล้วเราเองน่ะสร้างทุกข์ให้กับตัวเองมนเณที่พระเจ้าอยากให้เราฉลาดในเรื่องจิตของตนนะ่ะคือมาฉลาดให้มันรู้เหตุว่าเออเนี่ยจิตของเรานี่แหละ ที่มันไม่ฉลาดเลยมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะมาทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทั้งๆ ท, ที่อยากมีความสุขแต่ทำไมจึงไปพอใจปรุงแต่งให้จิตเราเป็นทุกข์อ่ะทำไมต้องไปยึดเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามารบ ก, กวนจิตใจของเราบางเรื่องมันผ่านไปตั้งนานแล้วโอ้โหมันควรจะจบได้แล้วพอเห็นหน้ากันปับ๊บโอ้วูบเข้าไปอีกแล้วเรื่องเก่าพุขึ้นมาอีกเดือดร้อนขึ้นมาที่จิตอีกแล้ว นี่คือจิตที่ไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องมาฉลาดในเรื่องจิตของเราก็ถ้าจะฉลาดก็ต้องมาฝึกแน่มันก็มาที่การฝึกแล้วมีสติมีสัจรปรัญญาก็เริ่มด้วยสติปัฏฐานสีเพราะฉะนั้นบางครั้งก็พูดคำเดียวคือสติสติมันก็จะครอบคลุมเหมือนกันเพราะว่าสติเนี่ยมันเป็นที่รวมของธรรมะทั้งหมด เป็นที่รวมบุญกุศลด้วยอธิบายในแง่บุญกุศลก็ได้ตัวสติเนี่ยอธิบายในแง่ธรรมะก็ได้ที่สติยี่ขยายออกไปให้จิตอยู่ในกายในในจิตของตัวเองกายเวทนาจิตธรรมแยกย่อยออกไปเป็นขันห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพูดในแง่ของธาตุกายธาตุดินธาตุน้ําธาตุาตาตาตาตลมธาตุไฟอากาศาธาตุคือช่องว่างจิต มีวิญญาณธาตุจิตธาตุมโนธาตุมีแต่ธาตุมีแต่ขันมีแต่ธรรมชาติซึ่งเรียกว่ากายเวทนาจิตแลว้วก็ทำมันไม่มีตรงไหนที่บอกให้รู้ว่าเป็นเราเนี่ยเนี่ยมาฉลาดก็คือมาฉลาดแบบนี้ด้วยบางทีพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เปียกให้เปียบร่างกายเป็นเหมือนรถกันวะเรียกสรีละยน มันรถยนต์เนี่ยเวลาเข้าประกอบกันขึ้นมามันมีแต่เศษเหล็กเอาเหล็กเป็นชิ้นๆมาประกอบกันขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวรถแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ตัวเรานี่ก็เป็นเหมือนสรีระยนต์ทันว่าเหมือนรถยนต์เลยแยกย่อยออกไปอาการ32ก็แยกนี่แหละแยกกายเรานี่แหละออกไปแยกผมขนเล็บฟันหนังหรือจะเห็นอันใดอันหนึ่งก่อนก็ได้ เห็นอนใดอนหนึ่งมันก็ทะลุเข้าไปแจ้งหมดเลยนะแล้วแ ต, แต่บางคนดูอันเดียวเนี่ยมันแจ้งไปหมดเลยชัดอันเดียวรู้อันหนึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเข้าใจทั่วถึงหมดเลยว่าทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วมันยังสามารถรู้แจ้งขยายออกไปทั่วจั ก, กรวาลเหมือนกับทั่วถึงธรรมชาติเลยนะทั้งหมดนะไม่ใช่เราอีกต่อไปเลยเนะี่ยรู้ในจิตแค่นี้นะ แต่มันขยายออกไปรู้ทั่วถึงแล้วจะให้จิตเป็นหลงยึดอะไรอีกต่อไปมันไม่ได้มันทําไม่ได้จิตเนี่ยมันไม่ทําเพราะมันรู้ความจริงทั่วถึงนี่จริงต้องมาฉลาดในเรื่องจิตของตนเพราะฉะนั้นจ ะ, จะเจริญสติสัมปชัญญะดูในแง่ไหนสติปัฏฐานสี่ก็อันเดียวกันขันห้าก็อันเดียวกันธาตุหกหรือธาตุสี่บางคนเอาแค่ธาตุสี่นี่แหละ เคยมีคนมาที่นี่ทีแรกเขาก็พูดโทพอพูดโทแล้วมันดูเฉยๆเขาก็มาดูเป็นธาตุดินน้ําลมไฟเวลามันคิดถึงพ่อเราบอกเอาพ่อก็ธาตุดินอะมัวแต่ไปคิดถึงธาตุดินเหรอมันก็หยุดเนี่ยต่อมามันก็เร็วขึ้นออก็เห็นว่าเออมันเป็นจักว่าธาตุธาตุพอมันจะเริ่มไปเอาธาตุเนี่ยเราก็แค่ธาตุสี่ไอ้ธาตุคาเดียวเนี่ยธาตุสี่คำเดียวเนี่ย จิตเขาอยู่นานเข้านานเข้ามันก็มันก็เริ่มไม่สนใจอ่ะทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งเขาว่ะมันเริ่มเริ่มขยับตัวขณะที่ดูท่าสี่อยู่เนี่ยมันมีตัวหนึ่งซึ่งมันไปหาเรื่องไปนู่นไปนี่นั่นคือเรื่องจิตนะมันเข้ามาหาจิตอีกทีนึง่งบางคนก็อาการสามสิบสองก็ดูได้บางคนก็ดูผมขนเล็บฟันหนังบางคนสามสิบสองเลย ที่เราสวดมวนต์ท่องเอาไว้เนี่ยถ้าทําอย่างนี้แนละ้วเขาสงบเขาบอกเลยอันใดอันหนึ่งไม่พอบางคนกลับอันเดียวเจากระดูกเนี่ยดูกระดูกเลยจี้เข้าไปเลยจอเข้าไปสุดท้ายกระดูกมันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแสดงความที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราขึ้นมามันก็ดูฟันก็มีดูตาก็มีก็ยังอยู่ในเนี่ยกายใจนี่แหละ แล้วมันก็เข้าหาใจเหมือนกันบางทีก็ดูไปมันก็มีความคิดเกิดขึ้นไปดูความคิดบางครก็ดูลมอย่างเดียวก็มีดูลมไปที่แรงก็ดูลมต่อมาจิตสงบมันก็มาดูจิตเสียมันก็ไม่สนใจลมอ่ะลมก็มีอยู่แต่ว่ามันมาดูจิตแล้วมุมมองภายในจิตมันเปลี่ยนไปแล้วบางทีลมแรงก็ไปดูลมบางทีมาดูจิตบางทีแท้ที่ดูจิตมันก็ไปดูความเปลี่ยนแปลงเสียเฮ้ยนี่มีแต่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนี่ว่าดูธรรม มันก็คืออันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเวลาเวลามาพูดกันเนี่ยมันคือคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่เราเมาไปพูดเฉพาะไอไอรูปแบบเออคนนี้พองยุคคนนี้พุโทโธคนนี้สัมมาอหลางก็เลยเป็นสายสายไปเราต้องเข้ามาหาแก่นธรรมเข้ามาหาสาระของการปฏิบัติแล้วถ้ามันถูกต้องมันจะไม่มีสายหรอก มันจะเป็นอันเดียวเลยคือของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลยมันจะหมดความสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติเลยเพราะมันรู้จริงจะมาพี่น้าเป็นอสุภะก็เหมือนกันนะก็เพราะจริตของเขามันมันมีกรมมลคามากมันไปติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมากก็ต้องบรรเทาเคยมีผู้หญิงมาที่นี่เขามาให้เราอธิบายเรื่องอสุภะให้ฟัง เพราะเขาถนัดว่าถ้าเขาพิจนาเป็นอสุภะแล้วใจของเขาสงบดีรู้สึกว่ามันบรรเทาไอความความว้าวุ่นในจิตอะความขนองของจิตอะเนี่ในเรื่องของธรรมะมันไม่อายกันนะพูดเปิดเผยกันเลยคือมันพูดเรื่องปฏิบัติพูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องจิตไม่มีตัวตนเข้ามาเกี่ยวขอ้องเนี่ยเขาไปฝึกแล้วเขาก็ดีขึ้น คือมันก็มาดูกายเวทนาจิต ท, ทำอีกนั่นแหละมันก็มาเห็นกายกับจิตของตัวเองสุดท้ายมันก็ทั่วถึงกันแต่ว่าอันไหนเด่นเนี่ยอันไหนมันเด่นสำหรับคนคนนั้นก็ต้องทำไปบางคนอียบทเดินชอบเดินเดินก็คือตามดูกายเป็นส่วนใหญ่แล้วมันเข้าไปหาจิตอีกเหมือนกันบางคนก็นั่งมา คือนั่งแล้วมันเข้ามาเห็นชัดนั่งนานก็ได้ถ้ามันตื่นนั่งนานก็ได้มันสามารถแค่คล้องว่องไวทำการทำงานอยู่ภายในไม่มีรูปแบบอยู่ที่ว่าอันไหนมันเหมาะสมกับตัวเองพอดีกับตัวเองต้องหาให้พบหาให้พบก็คือปฏิบัติไปนี้แห ล, ละแล้วมันจะมีช่องทางเป็นของตัวเองในที่สุด คือในขณะที่ปฏิบัติอยู่มันก็เหมือนธรรมะเนี่ยโอ้มันคงห่างไกลพูดถึงพระนิพพานยิ่งเดี๋ยวนี้นะถ้ามาพูดปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์เพื่อถึงพระนิพพานเหมือนมันเหมือนห่างไกลเพราะว่าเดี๋ยวนี้เหมือนกับว่ากิเลสมันมากขึ้นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ลดลงมาเพื่อมาหากิเลสของคนแต่ในสมัยพระพุทธเจ้าท่านไม่ลดธรรมะลงมาธรรมะต้องเป็นธรรมะ เราต้องฝึกจิตฝึกใจเพื่อให้จิตมันฉลาดขึ้นแล้วดับทุกได้ธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะไม่ลดลงไปหากิเลสของคนไม่สอนเพื่อเกื้อกูลต่อกิเลสภายในจิตของคนต้องเพื่อขัดเกลาจิตใจเพื่อแก้ไขจิตใจเพื่อทําให้จิตใจไม่มีทุกข์เมื่อปฏิบัติถูกทางแล้วถูกต้องแล้ว ความทุกข์ต้องน้อยลงไปเพราะนั้นถ้าใครบอกว่าเออปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกสบายขึ้นรู้สึกดีขึ้นรู้สึกเบาลงไปนั่นถูกต้องถ้าปฏิบัติธรรมแล้วมันยิ่งหนักยิ่งหนาแน่นขึ้นต้องมีที่ผิดต้องมีบางอย่างไม่ถูกต้องต้องมีความหลงผิดต้องแก้ไขนี่เพราะนั้นทางของพรธเจ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะคณะที่มากันน่ะ ว่าจะกลับไปแล้วก็ตามที่ยังอยู่ก็ตามมาเล่าสภะะาวธรรมให้ฟังส่วนใหญ่ก็ไปในแนวทางที่ถูกต้องทางนั้นเลยสติก็ดีขึ้นรู้ตัวได้ดีขึ้นรู้สึกเบาลงไปรู้สึกสบายขึ้นบางอย่างสงสัยก็ไม่สงสัยแล้วบางทีมีความไม่สบายใจมาก็เข้าใจแล้วมันก็ปล่อยวางได้มันก็กลายมาเป็นบทเรียนเสีย ให้ความทุกขนะ์น่ะมันก็เลยทําให้เกิดสุขเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาแทนนะเนี่มันถูกทางมันต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าจะฉลาดในวาระจิตของตนนะ่ะฉลาดแบบไหนนะทีนี้ต้องมาดูจิตเราสิาพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มาดูจิตจิตของเราแล้วก็มาตรวจดูว่าจิตของเราเนี่ยตอนเนี้ยเอาปัจจุบันเลยนะมันมีอภิชา อยู่มากหรือหนอหรือว่ามันไม่มีอภิชามากเนี่นี่คือมันมาตรวจดูแล้วเนี่ยอภิชาก็คือว่ามันอยากเห็นคนอื่นได้อะไรมันก็อยากได้ด้วยอยากได้เป็นกับเขาอยากได้อย่างเขาอยากได้ของเขาคืออยากได้มันก็มีรูปลสกินเสียงสัมผัส น, นี่นหะนี่มันจะเอาเข้ามาแล้วก็มาตรวจดูสิเออตรงนี้มีไหม แล้วมีความพยาบาทอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าไม่มีความพยาบาทอยู่โดยมากนะี่ก็เข้ามาดูอีกว่า น, นิสัยของจิตเราเนี่ยมันเป็นจิตใจที่มั น, มนชอบพยาบาทเลยแล้วความพยาบาทมันยังอยู่ไหมยังอยู่มากหรือยังอยู่น้อยอา่าวพูดง่ายๆแล้วก็มาดูว่ามันซึมเศร้ามากหรือซึมเศร้าน้อย ความรู้สึกภายในตัวเราเนี่ยมาดูว่าฟุ้งซ่านมากฟุ้งซ่านน้อยเนี่ยก็คือเรื่องจิตทั้งนั้นเลยเนี่ยเศร้ามองมากเศร้ามองน้อยความปรารถนาทางร่างกายแรงกล้ามากแรงกล้าน้อยมีความเกียดค้านมากหรือเกียดค้านน้อยเนี่ยสำรวจจิตเราได้ สงสัยมากหรือสงสัยน้อยอยู่ในจิตหมดเลยนะจิตตั้งมั่นโดยมากหรือว่าจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากคือตั้งมั่นมากหรือตั้งมั่นน้อยในจิตเราเนี่ยถ้าฮายังมีความอยากมากก็ให้รู้นะมีความอยากน้อยก็ให้รู้นี่ที่ี้มารู้แล้วนะทีนี้ พยาบามมากให้รู้พยาบามน้อยก็ให้รู้หรือไม่มีก็ให้รู้นุดเอาจนรู้ว่าไม่มีซึมเศร้ามากซึมเศร้าน้อยหรือไม่มีเศร้ามองมากเศร้ามองน้อยหรือว่ามันไม่มีฟุ้งซ่านมากฟุ้งซ่านน้อยหรือว่าหมดไปแล้วไม่มีความปรารถนาทางร่างกายปรารถนามากน้อยหรือไม่มี ความเกียจค้านมากหรือเกียจค้านน้อยหรือไม่มีความเกียจค้านสงสัยมากสงสัยน้อยหรือข้ามพ้นความสงสัยไปแล้วจิตตั้งมันมากตั้งมันน้อยหรือมันเป็นยังไงนี่ดูจิตหมดเลยสรุปแล้วจิตเราเป็นยังไงให้มารู้ที่จิตตัวเองพอถ้าหาว่าเรามาดูที่จิตของตัวเองได้อย่างอื่นก็เบาลง แล้วทำไมบางทีต้องมาดูกายก็คือจิตเนี่ยถ้ากำลังสติเรามันอ่อนจิตมันเร็วมันเป็นนามธรรมามันหาจิตไม่เจอก็เลยต้องเอามาจดจ่ออยู่ที่คำบริกรรมเอามาอยู่ที่ร่างกายมันร่างกายก็เลยเป็นเหมือนที่อยู่ของจิตเป็นเครื่องอยู่ของจิตไปก่อนจนกว่าสติมีพลังแล้วควบคุมจิตได้ จิตค่อยเด่นขึ้ น, เ ด, น, นเด่นขึ้นเด่นขึ้นจนจิตนี่เด่นมันจะไม่สนใจกายอีกเลยขนาดนั้นเลยนะเห็นแต่จิตเลยนะเวลามันเด่นขึ้นมาเนี่ยเนี่ยสุดท้ายมันไปเรื่องจิตหมดเลยแต่เพื่อเข้าหาจิตเนี่ยมันจึงต้องมาดูกายบ้างบริกรรมแล้วก็มาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมไปเรื่อยสุดท้ายเหลือแต่จิตจิตดูจิตเนี่ยเหมือนดูอย่างอื่นเลย ดูแล้วเห็นแจ้งแล้วชาติแล้วเนี่ยผู้ดูก็เป็นอันหนึ่งนอกนั้นถูกเห็นหมดเลยเหมือนเราเป็นผู้ดูตอนแรกเราก่อนนะมีเราก่อนพอเรามาปฏิบัติก็ต้องมีเราผู้เห็นผู้รู้มันเป็นเราไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่จะทิ้งเราไปเลยนะแต่บางขณะบางครั้งเนี่ยมันเห็นว่าสิ่งต่างๆไม่ใช่เรามีมันเห็นเอง เห็นเป็นธรรมชาติไปเลยมีเนี้ยมันก็จะลึกซึ้งเข้าไปหาใจใจมันก็จะรับรู้ความจริงขึ้นมาแล้วความหลงของคนเราเนี่ยด้วยอำนาจของความหลงมันทำอะไรมันก็เป็นเราเป็นเราเป็นเร า, เเราทำดีก็เราทำมันก็เลยไปเก็บไอ้กรรมอันนี้ไว้ในจิตในผวังก็จิตทำไม่ดีก็เราทำ เป็นกรรมไม่ดีที่เราทำแล้วก็มันก็ไปฝังอยู่ในจิตสงบก็เป็นเรามีความเป็นเราอยู่มันก็เลยเป็นเราทำกรรมทั้งหมดก็เลยมาอยู่ในจิตเราอยู่ในพวังขจิตบางคนทำไปแล้วลืมไปแล้วแต่ว่ากรรมเนี้ยยังถูกเก็บไว้อยู่ละเอียดกว่าคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลมาทุกพบทุกชาติเลย ฝังอยู่ในพวังขจิตแล้วกรรมมันนั้นมันก็กลายมาเป็นคุณภาพกายคุณภาพจิตของเราถ้าเราจะล้างกรรมอันนี้เนี่ยล้างได้ด้วยทำให้หมดกรรมได้ด้วยสิ้นกรรมด้วยใช้กรรมให้หมดไปได้ด้วยต้องมาใช้ในพวังขจิตเหมือนกันเพราะนั้นต้องอาศัยสมาธิต้องเห็นในขณะที่จิตเป็นสมาธิ จะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้เห็นว่ามันโอกมันมันอยู่ของมันอะ่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นมันก็จะวนเวียนอย่างเนี้ยถ้าเห็นแบบเนี้ยนี่ใจจะคลายออกใจจะวางโอ้พอวางได้หน่อยหนึ่งก็เบานะแค่เห็นนิดเดียวเท่านั้นแหละโอ้โหมันเหมือนกับว่าจิตเนี่ยมันมีแสงสว่างเกิดขึ้นเบาเลยนะ ที่จำได้เพราะว่าครั้งแรกที่เห็เนน่โอ้โหมันทำไมชีวิตจิตใจมันเปลี่ยนเลย ท, ทั้งทั้งที่ยังไม่บรรลุมรรคผลนะเห็นแค่ว่าโอ้นี่เหรออนัตตาครั้งเดียวครั้งแรกโอ้โหมันนั่งใจมันเบ า, ม, เบามันโล่งมันโปรง่งเข้าใจเลยว่าอ๋อที่เรามาปฏิบัติก็เพื่อสิ่งนี้เองแล้วจากนั้นความเพียรพยายามปฏิบัติต่อไปมันถึงรู้ว่าอ๋อ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติทีงว่าสติปัฏฐานสีมาถึงขันห้าอาการสามสิบสองอสุภะอาหาเลปฏิกูลสัญญาธาตุสี่ธาตุห้าก็ได้ธาตุหกก็ได้เนี่ทั้งหมดนี่คือไม่ได้บอกว่าเป็นเราหรอกมันเป็นแค่ธรรมชาติมองในมุม ไหนก็ได้อันหนึ่งก็เป็นรูปประธาตอันหนึ่งก็เป็นนามธาตาุบางทีพระพุทธเจ้าก็ไม่เรียกว่าขันนะท่านเรียกว่ารูปประธาตเวทนาธาตสัญญาธาตสังขารธาตวิญญาณธาตคือมันมาเป็นอันเดียวกันเนะ่ยสรุปลงที่มันไม่ใช่เรามันเป็นธรรมชาติบางคนก็เคยเห็นมาแล้วไอความรู้สึกว่าไม่มีเราอยู่นะมันมีจริง มันเป็นธรรมชาติลุล้นๆมันมีจริงแค่ได้เห็นเนี่ยมันก็เบาไปเยอะแล้วจิตเนี้ยบางคนยังไม่เห็นก็มีแต่ถ้าปฏิบัติไปก็เห็นเหมือนกันเนี่ยเพราะอันนี้มันเป็นผลของการปฏิบัติแต่ไม่ใช่อยากนะพระเจ้าบอกให้พอใจสร้างเหตุพอใจที่ได้ปฏิบัติส่วนผลเป็นยังไงแล้วแต่สภาวธรรม ไม่ได้กพอฟังไปแล้วพูดเรื่องขันหน้าพูดเรื่องปัญญาก็อยากเห็นบ้างอยากไม่ได้ยิ่งอยากความอยากนี้ไปปิดบังหมดเลยไม่มีความอยากพอใจว่าเราได้ปฏิบัติได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเพราะเรายังปฏิบัติอยู่ในขั้นนี้อยู่ในขั้นไหนเอาแค่ขั้นนั้นละควรทำอะไรอยู่ก็ทำตรงนั้นละ่ะแล้วมันจะค่อยๆเจริญขึ้นเองถ้าอยากแล้วไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าสอนให้เพียรเพื่อสร้างเหตุส่วนผลแล้วแต่สภาวธรรมมันก็มีหลักเหมือนกันหมดคือมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้นี่มันมีหลักของพพุทธเจ้าอยู่เราก็มีหน้าที่เพียรไปเพียรตรงไหนเพียรมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ไม่ให้จิตเราไปหลงยินดียินร้ายถ้ามันยินดีละ่ะ ก็รู้ว่ายินดียิน้ายก็รู้ว่ายินล้ลยถ้ารู้อยู่ไม่เสียหายแล้วเพราะนะั้นอะไรเกิดขึ้นรู้หมดปัญหาเลยมันคิดไม่ดีเรารู้จบมันไม่สงบเรารู้ก็จบมันสงบรู้มันใช้ได้มันใช้ได้หมดเนี่ยคือขอให้รู้มันก็มาตรงว่าเอออะไรเกิดขึ้นให้รู้ หรือว่าอะไรเกิดขึ้นไม่หลงยินดียินไลน่ละความยินดียินล้ลยให้ได้แต่ถ้ามันยังไม่ได้เพราะจิตเรากำลังยังไม่พอเพราะเรากำลังปฏิบัติอยู่ก็ต้องไปรู้นะยินดีรู้ว่ายินดียิน้ายรู้ว่ายิยนล้ลยส่วนบางทีต้องบริกรรมรเพื่อให้สติมีกำลังพองหนอยุบหนอบางคนก็พองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอบางค น, จ, นจี้หนอจี้ เพื่อใหมันชัดขึ้นมามันก็นำไปสู่อันเดียวกันถ้าถูกทางแล้วต้องไปสู่ความรู้ความเห็นว่ามันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราหรอกมันเป็นแค่สภาวธรรมเท่านั้นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้น เป็นธรรมชาติเท่านั้นถ้ายังไม่เห็นล่ะอ๋อกำลังยังไม่พอปฏิบัติยังไม่เพียงพอให้รู้เหตุด้วยก็มีคนถามพระพุทธเจ้าทำไมอะความจริงมันมีอยู่แล้วทำไมอะคนเกิดมาแล้วมันน่าจะรู้เรื่องซะมันจะได้ไม่มีทุกข์อะพูะพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเพราะว่าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของสัตบุรุษ คือไม่เข้าใกล้สัตบุรุษไม่พบสัตบุรุษไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของสัตบุรุษหรือฟังแล้วก็ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้เอามาประพฤติปฏิบัติเอามาไข้ควรพิจารณาให้แจ้งให้ชัดจนจิตมันรู้ความจริงเห็นความจริงขึ้นมาเข้าใจจนมันปล่อยวางได้เพราะเหตุก็อยู่ตรงที่ว่าพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วอยู่ที่การปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วก็ให้มันตรงให้มันถูกต้องผลเกิดขึ้นเองนะอย่างบางคนก็มีคําถามว่าอินแล้วมันจะได้มรดิได้ผลไหมถ้าปฏิบัติถูกต้องถูกทางทางนี้มันเป็นทางดําเนินไปเพื่อบรรลุมรดิผลแน่นอนเลยบรรลุพระนิพพานเพราะมันเป็นทางสายเดียวของพระพุทธเจ้าในศาสนาอื่นไม่มีอันนี้พระเจ้าตัดเอาไว้ เพราะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นะพระองค์ไปเรียนรู้ทุกสำนักในอินเดียในชมพูทธวีปจนรู้ว่าไม่มีมันดับทุกไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าจึงมาค้นพบด้วยพระองค์เองเพราะนั้นเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บางทีก็พูดว่าถ้าจเจริญสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์โพชฌงกตสมบูรณ์ โฉงเจตก็มีอะไรก็มีสติสัมโพชงเนี่ยก็มาตัวสติท ร, รมวิยาสัมโพชงก็คือตัวปัญญาวิทยาสัมโพชงก็คือความเพียรปิติสัมโพชงก็คือความอิ่มใจปัจจทติสัมโพชงก็คือความสงบของใจสมาธิสัมโพชงก็คือความตั้งมั่นของใจอุเบขาสัมโพชงคือใจที่มันวางเป็นอุเบขาได้ ก็เรื่องจิตทั้งนั้นแหละแล้ววิชาวิวมุตต์เกิดขึ้นก็คือหลุดพ้นถึงปณิพนัชบางทีก็พูดละเอียดว่าสติประธานสี่ก็ต้องมีสมัมมาประธานสี่คือความเพียรสี่อย่างเพียรสี่อย่างคืออะไรเพียรสังวรเนี่ยสำรวมไม่ให้ไม่ให้ความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตเราสำรวมระวังมันเข้ามาก็รู้ว่ามันเข้ามา เห็มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็เพียรประหานดูมันเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็ดับไปเนี่ยเพียรเจริญต่อไปภาวนาต่อไปให้มันเจริญขึ้นก็คือเพียรปฏิบัตินั่นแหละมันเจริญขึ้นแล้วก็ต้องรักษาด้วยทั้งรวมระวังให้มันไพ่บูรณ์จนมันเต็มที่บริบูรณ์กลายเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพาน ก็พูดถึงความเพียรพูดถึงอิทธิบาตีาต้องมีชั้นทะมีความพอใจปฏิบัติเนี่ยวิริยะต้องมีความเพียรอีกเหมือนกันนะจิตตต้องเอาใจใส่ทุ่มเทอุทิศชีวิตทำอะไรอยู่ก็ตามต้องปฏิบัติจิต เพื่อที่ใจิตมันฉลาดเพื่อไม่ให้มันเอาอะไรเข้ามาทำให้เราเป็นทุกขนะ์มีมังสาก็พย า, ายามไต่ตองขัดเกลาแก้ไขตัวเองมันก็เรื่องเดียวกันนี่แหละแต่พูดรายละเอียดรายละเอียดเพื่อให้การปฏิบัติธรรมนี้ได้ผลมันก็เลยเหมือนธรรมะเมันมากจริงๆคือการปฏิบัติของเรานี่แหละเดีย๋ยวมีอินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้าก็คืออะไรสติ มีศรัทธาเราก็มีศรัทธาอยู่แล้วมีความเพียรพยายามปฏิบัติมีสติก็รู้ตัวก็เป็นสมาธิตั้งมั่นใจตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญาเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ามันมีกำลังมากขึ้น ก, ก็เรียกพละห้าแล้วก็โพชฌงเจ็ดแล้วก็อริยมรรคมีองค์แปดสติก็เป็นสมาสติเสียความเพียรก็เป็นสมาว า, ามาความเพียชอบ สมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็เป็นสมาธิที่ใจมันก็คลายออกดำหลดที่จะออกไปส ม, มาสังกับป่าแหละนึกมาสํารวมคำพูดสัมมาวาจาขึ้นมาพูดแล้วอะไรที่มันลบกวนจิตใจไม่เอาแล้วทีนี้ระวังคำพูดตัวเองระวังปากตัวเองนะ แทนที่จะพู่งออกไปข้างนอกไม่เอาแล้วมาระวังตัวเองแล้วนี่นี่มันจึงจะเป็นสัมมาวาจาแล้วคุณจะมาตรวจสอบว่าเออพูดโกหกมีไหมที่มันไม่ตรงความจริงสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนขึ้นมาจากคําพูดของตัวเองพูดส่อเสียบนี้ไหมเอาเรื่องไม่ดีของคนนั้นมาเล่าคนนี้นฟังเอาเรื่องไม่ดีคนนี้ไปเล่าคนนั้นฟังทําให้คนมันแตกมันแยกกันทะเลาะบอกแว้งกันเพื่อตัวเองดี ให้คนอื่นเข้ามารักเราชอบเราพอใจเราให้เราได้ประโยชน์นี่นี่มันมาที่เราหมดเลยนะเนี่ยเวลาจะแก้ต้องแก้ที่เราแล้วสามารถกำมันโตการงานก็ชอบกายไม่ทุจริตวาจาไม่ทุจริตเนี่ยมันก็การงานชอบนี่ทุจริตสามอย่างละทุจริตทางกายสามอย่างเบ ญ, ญากาค่าสัตว์เบญกาการลักทรัพย์วบญกาการบริบทในการม สมาชิบปวิญญาณชีตี่ไม่ชอบว่ะฉอโกงเขาโคดโกงเขาอาชีพที่ทําให้ชีวิตอยู่เป็นทุกข์ก็เรื่องของการปฏิบัติทั้งหมดเลยแต่ว่าแยกรายละเอียดพูดเพื่อที่จะมาเสริมการปฏิบัติของเราให้มันได้ผลดีขึ้นมาเดี๋ยวถ้าการปฏิบัติของเรามันมันสมบูรณ์ขึ้นมานมันก็เป็นไปบรรลุมรรคผลแล้วก็นิพพานแน่นอนเป้าหมาย นิพพานก็คือไม่มีทุกข์มรรคผลก็คือว่ามันประหารกิเลสได้มากขึ้นรู้ความจริงมากขึ้นประหานกิเลสได้มากขึ้นเรื่องราวที่จะทําให้เราเป็นทุกข์น้อยลงไปพรตัวตนมันน้อยลงไปเอาจะหยุดพูดแล้วตอนนี้จะให้ปฏิบัติมีอะไรเกิดขึ้นก็าตามนะเรื่องของเด็กนี่ปล่อยไปตามสภาพของเขาเราต้องมาฝึกจิตของเราไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต้องมาควบคุมจิต ดูจิตรักษาจิตนั่นยิ่งมีอะไรมาทดสอบเป็นโอกาสอย่างดีเลยเห็นจิตตัวเองเห็นนิสัยของจิตรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องจงกระทางว่าเออมันมันทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้คือเราเห็นมันเป็นธรรมชาติไปหมดอะจิตก็เป็นธรรมชาติอันหนึง่งตอนแรกเราจิตดูจิตดูไปดูมากลายเป็นว่าไม่มีเรา เป็นธรรมชาติไปเลยจิตเนี่ยเนี่ยสุดท้ายมาวางความรู้สึกว่าเป็นเราเท่านั้นเองจริงๆมันไม่ใช่เราตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ได้มีเราแต่ว่าตอนปฏิบัติเนี่ยมันมีเราไปก่อนแล้วก็สุดท้ายก็ไม่มีเรานะ่อาให้ปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งนะจะได้ดูตัวเองกรรมลาพังบ้างาพยายามดูตัวเองนะให้รู้ตัวนะ ทอ่ส่วนใหญ่ก็รู้ตัวอยู่แล้วล่ะแต่มีบางคนที่ไม่รู้ตัวก็มีอยู่เึงว่าให้พยายามรู้ตัวดูซิเรากำลังดูอะไรอยู่ดูแล้วมีอะไรเป็นของเราไหมวิถนามันก็อยู่ที่ร่างกายมันเจ็บมันปวดนั่นแหละก็คือเรียกว่าวิานาคือความรู้สึก แต่จิตที่ไปรู้เวทนาเป็นอันหนึง่งจิตเนี่ยมันเป็นผู้รู้แต่ทีนี้ถ้าจิตกำลังยังไม่พอเนี่ยเวทนามันก็มีแรงดึงดูดทำให้จิตเราต้องไปดูถ้าดูแล้วสติมีกำลังขึ้นมาทำให้จิตมีกำลังเนี่ยตัวสตินี่มันเป็นกำลังของจิตมีสติตรงไหนก็มีสมาธิอยู่ตรงนั้นสมาธิก็เป็นกำลังของจิต แล้วจิตมันก็รู้อยู่ว่าไม่ใช่เราเนี่ยมันก็ตั้งท่าที่จะแยกออกอยู่แต่มันยังแยกไม่ได้มันก็สะสมปัญญาไปด้วยศรัทธาก็มีความเพียรความอดทนเรามีพอกำลังพอปับ๊บมันจะมาดูจิตจิตจะถอยออกมาเป็นจิตเนี่ยถ้าจิตมีกำลังมันจะไม่มีอะไรดึงดูดจิตไปได้เพราะนั้นเวลาเรามีทุกข์ก็พราะเรื่องอื่นๆมันครอบงาจิตมันมีแรงดึงดูดจิตของเรา ไปจมอยู่กับเรื่องนั้นเราต้องฝึกจิตให้จิตเรามีกำลังถอยออกมาได้นี่จะแก้ทุกข์มันต้องฝึกจิตให้สติมีกำลังต้องอาศัยศรัทธาที่มีกำลังด้วยบางคนศรัทธามันไม่พอเรื่องอื่นมันก็มีความสําคัญกว่าแทนนี้มาสนใจธรรมะของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า มันก็พอใจไปทำอย่างอื่นมากกว่ามันก็ความเพียรก็น้อยพอศรธามันน้อยความเพียร น, น้อยสติก็น้อยสมาธิก็น้อยปัญญาก็น้อยนี่เขาเรียกอินทรีย์อ่อนก็เลยต้องจมอยู่กองทุกข์ถ้าอินทรีย์แก่กล้าสติมีกำลังงานศรธามีกำลังที่ดันโดนมากับเอาละ่ะพอสมควรแล้วเนี่ยศรธรแล้ว วิริยะคือความเพียรมีกำลังไหมอดทนไหมพยายามไหมมีจิตใจเป็นนักสู้ไหมทอถอยมีไหมหรือว่าเราจะพยายามเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถอดทนเนี่ยบากบัตรเนี่ยมีความมุ่งมัน่นมีความแน่วแน่ที่จะปฏิบัต นีสติมันก็มีกำลังสมาธิก็มีกำลังปัญญาก็มีกำลังแล้วก็จะเห็นในะที่นี้ว่าไม่ใช่ของเราเหมือนกับเราเป็นอันหนึง่งเวทนาเป็นอันหนึง่งหรือความคิดเป็นอันหนึง่งสิ่งต่างๆเป็นอันหนึง่งเราเป็นอันหนึง่งต่อมาก็เป็นธรรมชาติไม่มีเราบางจังหวะก็ได้เห็นละ นี่เรายกวาสะสมธรรมะไปเรื่อยๆจริงๆไม่ได้มีเรามันเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเรามันสมควรที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้หรื อ, อยังถ้ามันยังก็ปฏิบัติต่อไปเพราะเหตุมันยังไม่เพียงพอยกตัวอย่างเวทนาเพราะมันชัดเจนเวทนาอยู่ที่ร่างกายไม่ใช่ของเราจิตที่เห็นอยู่ก็สักแต่ว่า เห็นสักแต่ว่าวิธนาเวทนาขันมันไม่ใช่เราตัวไปเห็นก็คือตัวจิตนั่นแหละแต่วิญญาณไปทําหน้าที่รู้แต่เบื้องหลังใ้ความรู้ทั้งหลายคือตัวจิตจิตมีกําลังแล้วมันจะรู้มันจะเห็นมันก็เป็นจิต ร, รู้ขึ้นมามีนจึงว่ามันเป็นเองพปฏิบัติไว้แล้วเป็นเองเป็นธรรมชาติไปหมดเลยจึงต้องไม่อยากต้องไม่มีความอยาก เอาสุดท้ายแล้วนะคราวนี้ํำรวจดูนะว่าเราเนี่ยมีอะไรที่สมควรจะแก้ไขบ้างต้องอาศัยเวลาจิตเราเป็นสมาธิแล้วเราไม่มีความลำเอียงเราไม่ได้เข้าข้างตัวเราเองเราก็พอที่จะเห็นข้อบกพร่องของเราเห็นสิ่งที่เราควรแก้ไขเราควรจะแก้ไขปรับปรุงอะไรขึ้นมาบ้าง เนี่ยย้ำกับตัวเองแล้วมันจะมีกำลังย้ำเพื่อให้มันเข้าไปในจิตของเราแล้วก็ตั้งใจว่าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมจนพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารด้วยเถิดจากนั้นก็ตั้งใจอุทิศบุญเอาวันนี้พอแค่นี้นะ นำมือถัดาพระคุณโทขอโน้มแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ใกลชจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ จะรู้โายด้อยพระองเ